เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพุทธพธ์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมยอมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีดได้ข้อความจากจุลกรรมวิพังกระสูดมุมมองอันควรได้จากพุทธพ์ ความแตกต่างในชีวิตคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มระแคะระคายว่ามีบางสิ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเราออกจากท้องแม่ว่าจะให้แต่ละคนต้องเผชิญกับอะไรบ้าง DNA ช่วยให้พยากรณ์ได้ถูกว่าหญิงชายจะโตขึ้นสวยหล่อหรือขี้เรแถมบอกได้อีกว่าคนคนหนึ่งอาจเป็นมะเร็งเมื่ออายุประมาณไหน แต่แม้เห็นร่องรอยขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังปฏิปต่อไม่ได้ว่าอะไรหรือใครเป็นผู้กำหนดแผนชีวิตให้กับพวกเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นานแล้วและเป็นสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ได้โดยอาศัยกายใจมนุษย์ของแต่ละคนนี่แหละเป็นเครื่องมือในการสืบสาวหาความจริงทั้งหมดมนุษยภูมิ ถ้ามองว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากท้องพ่อท้องแม่เราสิ้นสุดที่โลงศพเช่นนั้นจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และลืมสิ้นอย่างสูญเปล่าก็ได้หรือจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมไปเฉยๆก็ได้ต่อเมื่อมองใหม่ว่ากรรมเก่าส่งเรามาเกิดในท้องพ่อท้องแม่แล้วเรากําลังทํากรรมใหม่เพื่อสร้างทางตามแต่จะเลือก เช่นนี้การเกิดเป็นมนุษย์ค่อยดูมีความหมายมากกว่าเริ่มต้นจากความบังเอิญเพียงเพื่อไปสู่จุดจบที่ว่างเปล่าได้บ้างมนุษยภูยิเปรียบเหมือนต้นไม้บนพื้นราบมีใบอ่อนและใบแก่อันดกมีเงาป้องแดดหนาทึบทำความร่มเย็นให้กับผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายขอเพียงเดินอยู่บนทาง ที่จะนำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักผ่อนสบายอยู่แม้ยังหิวกระหายก็ตามข้อความจากมหาศีรนาทสูตรการก้าวล่วงสู่คันมนุษย์มีได้เพราะการประชุมแห่งเหตุสามประการพร้อมกันจะขาดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ไม่ได้คือหนึ่งมารดาและบิดาในโลกมนุษย์นี้ร่วมกัน 2. มารดามีไข่สุก 3. ม, มีสัตว์เข้าไปเกิดข้อความจากมหาตันหาสังคยสูตรหากปราศจากวิญญาณอย่างลงในคันมารดานา ม, มาธรรมและรู ป, ปรธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้ข้อความจากมหานิทานสูตรชีวิตมนุษย์นับเริ่มจาก วิญญาณแรกมาปรากฏในคันมานดาจนกระทั่งถึงมรณะจากตัติยปาราชิกสิกขาบทความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภโทสะโมหะเลยข้อความจากปุญญกะมานาวกะปัญหานิเทศพึงเข้าใจว่ากรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้น กายใจอันเป็นที่ตั้งของสุขทุกข์ในปัจจุบันและที่ควรกล่าวว่าเป็นกรรมเก่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างสำเร็จได้ด้วยกรรมที่บุคคลเจตนากระทาด้วยกายวาจาและใจในอดีตส่วนกรรมใหม่พึงเข้าใจว่าคือกรรมที่บุคคลเจตนากระทาด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้ ข้อความจากกรรมมาสูตรในที่ที่กรรมเก่าเพลดผลเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนขี้อิดชาวริษยาคือด้อยศักดิ์สิทธิำหรับคนตั้งใจไม่ให้ทานกับนักบวชใดๆเลยคือยากจนสำหรับคนเย่อหยิ่งกระด้างขาดสัมมาคาระวะคือเกิดในสกุลต่ำ สำหรับคนใจคอเหี้ยมโหดหมกมุนในการประหัตประหารคือมีอายุสัน้นสำหรับคนผู้ชอบทำร้ายสัตว์คือมีโรคมากสำหรับคนที่ยักยอกทรัพย์ไว้มากคือสมบัติพินาศสำหรับคนที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไว้มากคือมีศัตรูและถูกจองเวรสำหรับคนพูดเท็จไว้มากคือถูกกล่าวตู สำหรับคนพูดยโยงให้เขาแตกกันไว้มากคือแตกคอกับมิดสำหรับคนพูดหยาบไว้มากคือเสียงไม่น่าฟังสำหรับคนพูดเพ้อเจ้อไว้มากคือพูดจาไม่น่าเชื่อถือสำหรับคนดื่มน้ำเมาไว้มากคือเป็นบ้าข้อความจากสัพพะระหุสสูตรและจุลกรรมวิพังคสูตร มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ในมุมมองของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนตาดีเห็นการเดินทางไกลของเหล่าคนตาบอดที่หลงกระเซาะกระเซิงในถ้ากลางเปลวแดดร้อนแรงไม่รู้ตัวว่ากําลังพัะจากที่ใดไปสู่ที่ใดโลกมนุษย์นี้เปรียบเหมือนใต้ร่มไม้ใหญ่อันเป็นที่พักกลางทางกันดาร น, นับว่าสบายพอสมควรแล้ว ไม่ทุกทรมานมากแล้วและหากพิจารณาว่าธรรมชาติของการอย่างลงในคันเป็นจริงดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสเราก็สามารถตอบคำถามชวนสงนได้หมดทุกข้อเช่นภาวะการมีบุตรยากเกิดจากอะไรคำตอบสุดท้ายคือถ้าไม่มีสัตว์เหมาะจะมาเข้าท้องผู้หญิงตอ่อให้ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา พยายามจนตายก็ไม่มีทางสำเร็จลองคิดดูถ้าเชื่อว่าอาสุจิกับไข่สุกมาเจอกันจะเกิดการตั้งครรภ์ก็จะผิดจากความเป็นจริงที่ปรากฏทั่วโลกเพราะบางคู่อยากมีลูกแถมต่างฝ่ายต่างก็สุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นหมันและมีสัมพันธ์กันแทบทุกคืนสิบปีผ่านไปลูกก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมา ทางการแพทย์พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอันเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่เก่งมีความเครียดหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาธรรมดาก็อาจทำให้ระบบฮอร์โมนเพศผิดปกติได้พูดง่ายๆฝ่ายชายน้ำยาไม่พอนอกจากนี้อาจมีกรณีทางสรีระอื่นๆของฝ่ายหญิงเช่นท่อนาไข่ตันมีพังผืดอยู่ในอุ้มเชิงกราน หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานก็ขัดขวางการปฏิสนธิระหว่างไข่กับตัวอสุจิหรือทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่อาจฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ด้วยวิธีอธิบายแบบแพทย์ทำนองเดียวกันดังกล่าวเราอาจได้คำตอบของภาวะมีบุตรยากไปต่างๆนาน า, นา แต่สถิติก็บอกเราว่าแม้คู่สมรสบางรายเต็มไปด้วยปัจจัยลบเช่นเครียดเก่งกินเหล้าสูบบรรี่ทีบ่อยเขาก็มีลูกกันได้แถมมีได้เร็วซิด้วยโดยเฉพาะตอนกำลังกลุ้มๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้อยู่นั่นเองอยังเนี้ยแปลว่าเห็นทีคำตอบทางการแพทย์จะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเป็นแน่ นับวันวิทยาศาสตร์ยิ่งยืนยันกับเราว่าแค่ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอจะทำให้เกิดเด็กในท้องอย่างเช่นเทคโนโลยีทำเด็กหลอดแก้วขนาดใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการตกไข่จำนวนมากๆและนำมาผสมกับอสุจิในหลอดแก้วก่อนนำตัวอ่อนคืนเข้าสู่ร่างกายมารดาในภายหลังพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเพิ่มโอกาสอย่างนี้แล้ว ก็ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จแล้วก็ไร้คำอธิบายที่ชัดเจนอยู่ดีถ้าคนเราเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายรูปอย่างเดียวก็แปลว่าเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วต้องได้ผลทุกครั้งเท่านั้นแต่การอธิบายแบบพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจได้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะยังใช้ได้ไปจนถึงอนาคตจนสิ้นกาลนานคือ ต้องมีสัตว์พร้อมจะมาเข้าท้องด้วยจึงจะตั้งคันคำถามที่เหลือจึงเป็นว่าแล้วใครละที่เหมาะคําตอบคือต้องเป็นผู้มีบุญพอจะมีจิตสำนึกแบบมนุษย์ซึ่งพร้อมจะเข้าท้องมนุษย์ที่เหมาะกับกรรมเก่าของตนได้นั่นเองจิตสำนึกแบบมนุษย์คืออย่างไรต้องดูกันที่คุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีติดตัวมา ได้แก่มนุษยธรรมและมโนธรรมถามว่ามนุษยธรรมและมโนธรรมมาจากไหนคำตอบคือจากกรรมในการให้ทานและรักษาศรรีลไว้อย่างเพียงพอดังที่พระพุทธเจ้าทรงจําแนกแจกแจงดังนี้กรรมในการให้ทาน การให้ทานในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้แต่หมายถึงการมีน้ำใจอยากช่วยอยากอภัยตลอดจนอยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วจึงค่อยลงมือให้พูดง่ายๆว่าเราเลงกันที่จิตว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่าไม่ใช่แกล้งหยิบยื่นของให้คนอื่นด้วยจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่น การแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณาย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรักษามนุษยธรรมไว้ได้เมื <ME> ่อมีมนุษยธรรมอยู่เป็นปกติคือเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้เสรรียสละบางสิ่งของตนด้วยเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันจะเห็นว่าต่างจากสัตว์บางพวกที่ให้ไม่เป็นมีแต่จะแย่งชิงกันท่าเดียว ทานแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. สทรัพยธทานคือให้สิ่งของอันเป็นประโยชน์สุกกับผู้อื่น 2. อภัยทานคือให้อภัยไม่ติดใจกับเรื่องที่ค้างคากัน 3. ธรรมทานคือให้สติช่วยให้เขาคิดได้มีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบจริงๆยังมีทานมากประเภทกว่านี้ เช่นออกแรงและสละเวลาช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุเข็นสมองช่วยเขาแก้ปัญหาหรือแม้การให้ทางกับคนอื่นได้ไปก่อนก็จัดเป็นทานเช่นกันสำคัญคือเลงที่ใจแล้วมีการคิดให้ก็เข้าข่ายเป็นกรรมในการให้ทานได้หมดยิ่งมีน้ำใจเสียสละเท่าไหร่คะแนนมนุษยธรรมยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น กรรมในการรักษาศีลถ้าอยู่เฉยๆคนนึกว่ารักษาศีลแล้วจริงๆยังไม่ใช่การรักษาศีลคือตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะงดเว้นการประพฤติเบียดเบียนคนอื่นแม้มีเรื่องยั่วยุให้เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนสมความตั้งใจจริงๆการแสดงออกถึงความไม่อยากเบียดเบียนใครย่อมเป็นสัญญาณบอกว่า เรายังรักษามโนธรรมไว้ได้เมื่อมีมโนธรรมอยู่เป็นปกติคือเห็นบาปเป็นบาปได้สำนึกผิดได้และอายต่อบาปได้สะดุ้งกลัวต่อบาปได้ไม่อยากทำบาปได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันศรษีไม่อยู่ห้าข้อศรลที่เพียงพอต่อการเป็นมนุษย์นั้นนอกจากไม่ต้องการละเมิดยังอยากทาในทางตรงข้ามเสียอีก คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์แต่อยากช่วยชีวิตเขาด้วยซ้ำ 2. ไม่รักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ้ำ 3. ามไม่ผิดลูกผิดเมียแต่อยากส่งเสริมให้เขาซื่อสัตว์ต่อกันด้วยซ้ำ 4. ไม่โกหกแต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำ 5. ไม่เสพสุรายาเมา แต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้นด้วยซ้ำยิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไรยิ่งอยากทำเป็นตรงข้ามกับบาปแค่ไหนใจยิ่งสะอาดและพอกภูนมโนธ ร, รรมติดตัวยิ่งยิ่งขึ้นแค่นั้น<อ>กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยืนพื้นอยู่บนมนุษยธรรมและมโนธรรม ก็ยอมทราบได้ว่ากรรมใดก็ตามที่เพิ่มพูนมนุษยธรรมและมโนธรรมกรรมนั้นก็จัดว่าเข้าข่ายสนับสนุนการมีโอกาสเข้าท้องมนุษย์ทั้งสิ้นหลักการที่ตัดสินได้ครอบคลุมคือต้องไม่ใช่กรรมที่ทำขณะมีโลภะโทสะหรือโมหะเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเห็นชัดว่า การทำสติให้เจริญขึ้นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายรับใช้พ่อแม่และผู้ส่งศีลแบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่นรวมปลื้มไปกับคุณงามความดีของผู้อื่นมันฟังธรรมะหัดสอนธรรมะตลอดจนดัดแปลงความเห็นผิ ด, ผดอันเป็นโทษของตนให้กลายเป็นความเห็นถูกเห็นชอบเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็นับว่าใช่ไม่มีเว้นคิดง่ายทําทำกรรมใดก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ต่างจากสัตว์ที่เห็นแก่ตัวต่างจากปีศาจ ท, ที่ดุร้ายกล้าวกระด้างล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้ในชีวิตหน้าทั้งนั้นและเมื่อมองเห็นจากปัจจุบันว่ากรรมใดบ้างที่ทำให้มีจิตสำนึกแบบมนุษย์ ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมาณได้เช่นกันว่าในอดีตเราเราท่านท่านต้องเคยทากรรมอันสมควรกับการมาเป็นมนุษย์ไว้ก่อนไม่ใช่จู่จูก็มีสิทธิ์มาเข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์อย่างหมาแมวนกที่สั่งสมมนุษยธรรมได้เช่นไม่แก่งแย่งให้ตัวอื่นกินก่อนเลี้ยงลูกด้วยความปรานี อยู่ใกล้กับผู้ทรงศีลด้วยความเคารพแบบเนี้ยถ้ากรรมอันเกื้อให้เป็นมนุษย์มีน้ำหนักมากพอก็มีสิทธิ์ทยานขึ้นมาเข้าท้องคนยกระดับตนเองได้เหมือนกันส่วนทางกับมนุษย์หลายรายที่ประพฤติตนเป็นเหตุให้บั่นทอนสำนึกผิดชอบชั่วดีลงไปทุกวันรวมน้ำหนักกรรมดำแล้วเกินพิกัดพื้นโลกมนุษย์แบกไว้ไม่ไหว ก็ต้องทะลุร่วงตกต่ำดำดิ่งลงไปเป็นสัตว์แทนนอกจากกรรมดีที่ส่งให้มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ยังต้องคํานึงถึงกรรมสัมพันธ์ที่เหมาะสมด้วยกล่าวคือต้องเคยมีความสอดคล้องในทางหนึ่งกับพ่อแม่หรือมีความเหมาะหลายๆประการที่จะมาอยู่กับพ่อแม่คู่หนึ่งๆเช่นถ้าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยในปางก่อน ก็เหมาะจะมาเกิดกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมพูดกับลูกด้วยถ้อยคำสนอโสดยังผลให้ลูกโตขึ้นด้วยความมีแก่ใจอยากสุภาพเรียบร้อยไม่ต่างจากชาติที่ผ่านมาของตนนั่นเองและเมื่อคำหนึ่งว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะเลิกทนงตนว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบลอยๆอยแล้วเราจะเลิกฟูงฝายในความเป็นคนโชคร้ายเพราะถูกแกล้ง เพราะไม่มีใครแกล้งเราแต่เราวางกับดักหรือขุดหลุมพรางล่อไว้เองยิ่งละเมอศีลห้ามากขึ้นเท่าไรชำนาญงานบาปขึ้นแค่ไหนโชควาสนาก็ดิ่งลงเหวเกราะซ้ำกรรมซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้นหน้าที่ที่กรรมเปิดผลประโยคทิ้งท้ายหัดให้แล้วจะรู้สึกว่า มีพอให้ได้ไม่ขาดเอาแต่ได้แล้วจะเหมือนขาดขนาดเอาเท่าไรก็ไม่พอ